1. 3วิธีเดินจงกรมเพื่อเจริญวิปัสนา 1. การเดินจงกรมไม่ต้องมีท่าเดินให้เดินแบบฟรีสไตล์เพียงแต่ทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวให้รู้สึกตัว 2. วิธีเดินจงกรมวงเล็บเปิด 16. กพฤศจิกายน2550นหาในวงเล็บสองจุดจุดนาที18วงเล็บปิดเวลาเดินจงกรมรู้สึกไหมว่าเราไป น, น้อมใจให้นิ่งไม่น้อมเราไม่ได้ฝึกน้อมใจ เดินแล้วไม่ได้ดูร่างกายหรอกให้ดูใจของเราไปร่างกายเป็นแบ็กกราวด์เดินดูใจเราไปเรื่อยๆคือเดินธรรมดาเดินแบบปกติเลยแล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตสงสัยว่าจะเดินอย่างไรดีก็รู้จิตเป็นอย่างไรรู้ไปเรื่อยในทุกๆอิรยาบทเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ได้ไปเพ่งให้ร่างกายนิ่งๆรู้สึกอย่างนี้นะ